ผลน่ะฝึกแล้วก็้นต้องให้เข้าใจคำว่าฝึกนี่หมายความว่าวางและเบียดลงไว้สำหรับบังคับให้คนที่อ่อนแอนั้นให้กลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้น คำว่าฝึกนี่นะคนส่วนมากมันเก็ะอ่อนแอมาละทีแรกนะี่ยพอมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสวั น, นิการที่มันจะเป็นคนเข้มแข็งขึ้นได้ก็อาศัยการปฏิบัติตามระเบียบนั่นแหละคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่ามัน เข้มแข็งมาแต่กำเนิดเมื่อไรนั่นนะแล้วเมื่อผูใ้ใดไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบนั้นก็จะเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้เลยอย่าเป็นคนอ่อนแออยู่นั้นเลย <c oughs> ไม่ว่าทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมดการฝึกนี่อย่างตำรวจทหารอย่างนี้นะ เขาก็มีระเบียบของการฝึกเวลานั้นทำอย่างนั้นเวลานั้นทำอย่างนั้นแล้วก็ต้องให้พร้อมเพียงกันอย่างเงถ้าใครไม่พร้อมเพียงอึดอาดเข้าไปหลายครั้งแล้วก็ผู้ฝึกก็จะต้องลงโทษน ะ, ะต้องเอาไปเข้าห้องกักขังไว้ เพื่อให้สำนึกตัวนน <c oughs> เช่นนั้นมันจึงได้ต่อสู้กับข้าศึกได้จิตใจทหารมันจึงกล้าหารยิ่งกว่าคนธรรมดาสามัญไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อเห็นข้าศึกยิงมามันก็วิ่งหนีเลยถ้าไม่ได้ฝึกให้เข้มแข็งนะ <c oughs> ใช้จะไม่กลัวตายกลัวทุกคนแต่ว่าเมื่อการฝึกเข้าไปแล้วจิตใจมันเข้มแข็งเข้ามาแล้วมันไม่กลัวตายเลยแบบ น, นี้นะอะอะอันนี้เหมือนกันเนี่ยทุกคนให้ถือว่ากีเลตเนี่ยเป็นค่าศึกต่อชีวิตจิตใจทุกคนะไม่ว่านักบวชไม่ว่าเครือขัด มันย่อมมีข้าศึกประจำตัวอยู่มาทุกคนตั้งแต่เกิดมาทีเดียว <c oughs> ดังนั้นผู้ใดเป็นคนอ่อนแอก็จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของข้าศึกคือกิเลสกิเลสมันก็บังคับให้ไปทำความชั่วทางกายทางวาจาทีแรกกิเลสมันก็บังคับจิต จิตก็บังคับกายบังคับวาจาอีกทีนึง <c oughs> อันกิเลสนั่นก็หมายถึงตัณหาเนี่เองแหละตัณหานี่นะครับว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสอื่นๆคือความอยากนี่เองนะนั่นแหละไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ทีเท่เกิดมาในโลกสันิวาตอันนี้ หรือว่าที่ยังท่องเที่ยว อ, อยู่ในวาตาสงสารอันนีนะ้มันมีความอยากความหิวเป็นเครื่องดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตนี่ท่องเที่ยวไปในสงสารเพราะความอยากนี่เป็นมูลเหตุลองพิจารณาดูกันอยากอะไรลนะ่ะอยากมีความสุขไม่ใช่อย่างอื่นได้หรอก ทำไมจึงอยากมีความสุขเพราะมันมีความทุกข์นั่นแหละเป็นคู่แข่งเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วบุคคลก็ย่อมเรียกร้องหาความสุขหล่านี้อยากมีความสุขยกตัวอย่างเช่นเมื่อร้อนมาแล้วอย่างนี้ก็นึกถึงความเย็นบันนี้ก็จึงได้สร้างพัดลมขึ้นมา สร้างแอร์ขึ้นม า, าทำความเย็นเพื่อขับไล่ความร้อนออกไปมเมื่อความร้อนหายไปความเย็นเข้ามาแทนที่ก็สบายไปทักนึงนี่เพราะฉะนั้นให้พึ่งเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีสุขกับทุกข์เป็นคู่กันนะแบบนี้ ขึ้นชั่วความทุกข์แล้วไม่มีใครต้องการเลยต้องการแต่ความสุขแต่ถึงไม่อยากได้มันก็ได้อันความทุกข์นั้นอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีอยู่ประจำร่างกายสังขารอันนี้แม้ว่าบุคคลจะแก้ไขยังไงยังไงก็ช่างมันก็ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละอัน แก้ไขบรรเทาทุกข์นี่นะ่ะระงับทุกข์นี่เป็นทุกข์ทางกายอย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละร้อนมาก็อาบน้ําหรือว่าใช้พัดลมเมื่อใช้พัดลมแล้วก็เย็นไปพอหยุดพัดลมก็ร้อนมาร้อนมาก็อาบน้ําพอขึ้นจากน้ามาแล้วหน่อยหนึ่งกลับกลับร้อนมาอีก หนาวมาก็เอาผ้ามาห่มก็อุ่นเปิดผ้าออกหน่อยหนึ่งก็หนาวก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละการแก้ทุกข์ในโลกอันนี้นะ่ะมันไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่ามันมันจะระ ง, งับทุกข์ไปได้โดยตลอดไม่มีหิวข้าวมารับประทานอาหารเข้าไปความหิวหายไป พอไปไปไฟธาตุมันย่อยอาหารหมดแล้วก็กลับหิวขึ้นมาอีกก็ต้องหารับประทานอีกก็พอบันเทาหิวไปได้ช่วระยะหนึ่งท่านแล้วมันก็กลับหิวมาอีกอยู่อย่างนี้ น, นี่ลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นน่ะความสุขกับความทุกข์ ของชีวิตนี่เนะี่ยมันจึงเป็นคู่กันมาในสงสารเลยทีนี้ไอ้ความทุกข์นังกล่าวมานี่มันก็พอบรรเทาได้แั่นี่ความทุกข์อันเกิดจากความแก่ทราชุดโทรมของร่างกายนี่นะเราไม่มีทางแก้เลยจะเอายาขนานวิเศษยังไงยังไงมารับประทานให้มันกลับหนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้น เหมือนแต่เมื่อยังหนุ่มไม่มีทางเลยไม่มียาอันใดโอสถอันวิเศษใดเลยในโลกนี้จะมาทำได้แม้แต่เทวดาก็ช่วยไม่ได้เลยนี่อันนี้ท่านเรียกว่าทุกประจําขันความแก่ความชารุดทรุดโทรมของร่างกายเมื่อร่างกายชารุดทรุดโทรมแล้วก็เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บ เพราคภูมิคุ้มกันมันอ่อนกำลังลงดังนั้นมันถึงมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปกำลังวังชาในก็อ่อนแอลงไม่แข็งแรงเหมือนแต่ยังหนุ่มอะไรอะไรก็เรียกว่าร้อยล้อลงไปทุกอย่างเลยอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าทุกประจํานะ แก้ไขไม่ได้เลยทุกอย่างนี้นะ <c oughs> น้ำไม่ซ้าความตายนั่นสิยิ่งไม่มีทางแก้ไขเลยเ <c oughs> มื่อถึงวาล ะ, ละต้องตายแล้วบุคคลจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็แก้ไขไม่ได้เลย <c oughs> อย่างนี้เนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าคนเราเกิดมาในโลกนี่มีแต่ทุกข์เมื่อสรุปลงแล้วนะสุขนั้นกพ็พอเป็นแต่เงาเงานี่แหละส่วนทุกข์นี่แต่วัดเด่นชัดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ mm hmm. พระองค์ทรงตรัสอะไอย่างนี้นับว่าเป็นความจริงเลย mm hmm. อันความสุขที่บุคคลได้รับนั้นมันจะเอามาลบล้างความไม่เที่ยงความแปรปวนของสังขาร น, นี้มันไม่ได้เลยนี่แหละเหตุดันถึงว่าพราะองค์จึงขมวดเข้าเป็นทุกข์หมดเลย สังขารร่างกายอันนี้เนะี่ยเพราะว่าสุขที่มีมานั่นมันมันเป็นสุขชั่วคราวชั่วขนาดนึ้นเท่านั้นเองแต่แล้วเมื่อเพ่งดูให้จริงจังแล้วมันมีทุกข์เป็นเจ้าของร่างกายสังขารอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วทํายังไงอ่ะ เมื่อเมื่อมองเห็นร่างกายสังขารอย่างนี้เข้าไปแล้วมันก็อาจจะเกิดความเห็นผิดขึ้นได้ก็ได้ถ้าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็จะไปบำรุงไว้ทำไมก็อย่าไปบำรุงมันปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปเสียจะไม่ดีกว่าเลยถ้าบำรุงไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นทุกข์ไปนาน เนี่ยบางคนมาคิดเห็นอย่างนี้ถึงได้ฆ่าตัวตายก็เห็นความทุกข์แล้วมองเห็นทางทางแก้ทุกข์ไม่มีเลยไม่เห็นเลยก็จึงตัดช่องน้อยไปเสียเลยแล้วเข้าใจว่าเมื่อตายไปแล้วมันจะมีความสุขสบายนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่าไปคิดอย่างนั้น อันความทุกเนี่แหละเป็นครูสอนให้ถือเอาความทุกเนี่เป็นครูสอนจิตใจของตัวเองเพราะว่าทางคนทุก菩萨ทตาทรงแสดงไว้แล้วเราต้องมาเดินตามทางที่菩萨ทตาทรงแสดงไวน้นี่อย่าไปเดินทางอื่นนี่ทางคนทุกทางสายกลาง อย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั่นเนี่ยทางสายกลางนี่มันต้องใช้ปัญญาออไม่ใช่ว่าเราจะทำตัวเป็นกลางอย่างนี้เลื่อยไปได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคำว่าเดินทางสายกลางนี่ยกตัวอย่างเช่นเราทำความเพียนบุคคลผู้มีกิเลสยางหนาอยู่เนี่ย การทำความเพียรจะไปทำเบาๆบางๆแล้วจะให้กิเลสหนาๆอันนัน้นมันสงบลงมันเบาบางลงอันนี้มันไม่ได้เลยผู้กิเลสยังหนาแน่นอยู่นี่ก็ต้องทำความเพียรเด็ดเดี่ยวลงไปอดนอนพร อ, อาหารลงไปถ้าเห็นว่ากิเลสอันนี้มันอ่อนกําลังลงแล้วอย่างนี้ก็ เอาก็ดําเนินตามปกติไปเคยนอนขี่ชั่วโมงมาก็นอนไปตามปกติเคยรับประทานอาหารมาเท่าไรก็รับประทานไปตามปกติในเมื่อกิเลสมันอ่อนกําลังลงก็ประคองกายประคองคิดให้เสมอไปธรรมดาว่าผู้ทรมานตน ่าว่ากิเลสมันอันยำหยาบนั้นมันเบาวางลงไปทางนี้จิตใจมันก็เป็นกลางแบนี้นะนั่นแหละจิตใจมันก็ไม่ไม่เอียงไปข้างโน้นข้างนี้มันเป็นกลางอยู่เหตุดังนั้นการประพฤติทางกายก็จึงดาเนินไปสายกลางแบนี้รับประทานพอประมาณนอนพอประมาณไป นั่นนี่แหละคาว่าดำเนินทางสายกลางนี่มันจึงต้องอาศัยปัญญาใคร่ควรเอาว่าทาอย่างไรจิตใจนี่มันถึงเป็นกลางได้นี่เราก็ทําลงไปพอทําใจให้เป็นกลางลงไปได้แล้วก็เอาละบันนี้ก็วกเข้ามาหาแนวทางสายกลางบันนี้อันความบุพฤตสทางกายนะอย่างที่ว่ามานด้นนแล้ รับประทานพอประมาณนอนพอประมาณอาประกอบความเพียรสม่ําเสมอไปอต่ถ้าว่าไปๆแล้วมันเกิดเผลอขึ้นมาเอากิเลสอย่างางางมันลุกขึ้นมาเล่นงานเอาอย่างนี้นะ่ะเอาก็กลับเข้าสู่การทรมานตนเข้าไปอีกอลับประทานน้อยนอนแต่น้อยเข้าไป ทำความเพียรให้มากมากมันไม่ตายหรอกไม่ตายคนผู้มีบุญแล้วไม่ตายอย่าไปกลัวตายเลยบางคนก็กลัวเป็นโรคเป็นภัยถ้าเป็นโรคขาดอาหารตัวไม่ใช่หรอกไม่เป็นนะถ้าหากว่าคนผู้ใดแล้วมีบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ให้มาแล้ว มันไม่เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ยังฉันพัฒตาฉันเจรน้อยละน้อยแล้วก็เมื่อพระองค์เจ้าได้รู้ทางสายกลางแล้วองค์ก็วิณธบาตมาฉันตามปกติไปพระโอรากายก็มีกำลังแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมนี่ถ้าว่า พระองค์เป็นโรคขาดอาหารจริงๆนะจะไม่มีกําลังสู้กับมาร น, นั้นได้เลยในคืนวันจะศัตรูนั้นนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนยั่งรุ่งเลยอพระองค์ก็สู้ได้นั่นแหละขึ้นเชื่อว่ามีบุญทั้งอย่างแล้วบุญนั่นแ่ะช่วยรักษาชีวิตไว้ให้เราได้มีกําลังต่อสู้กับมารกับข่าศึกคือกิเลสอเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัว <c oughs> เว้นเสียแต่คนที่มีกรรมมีเวรคนที่มีกรรมมีเวรนั่นอยู่อย่างไรมันก็ต้องวิบัติแน่ในเมื่อกรรมเวรที่ตนทํามาแต่หนหลังนุ่นน่ะมันตามมาสนองเอาเช่นนี้นี่มันจะอยู่อย่างไงอยู่ดีกินดีอย่างไงมันก็ไม่ฟังอร่างกายนี่มันก็ต้องวิบัติลงทีเดียวมันจะไปสู้อํานาจแห่งกรรมเวร ที่ตนทําออกมาแต่หนหลังนั้นไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจอย่างนี้จึงค่อยมีความสามารถทําความเพียรเด็ดเดี่ยวเป็นความจริงนะผูพ้พูดอยู่นี้ได้ทํามาแล้วไม่ใช่ไม่ได้ทำํำเมื่อได้อ่านดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เกิดศรัทธาขึ้นอ ได้ทำความเพียรทางกายนี่ถึงขนาดอ้าวไม่นอนสามเดือนก็เอาฉันพัฒตาหารวันละน้อยๆอยู่ตั้งสามเดือนก็เอาก็ทำแล <c oughs> ้วในที่สุดมันก็สูบผอมลงไปแต่ก็ไม่ตายอพอหยุด สมาทานข้อวัดอันนั้นแล้วมาฉันพัตาหารตามเดิมแล้วมันก็มีเรี่ยวแรงขึ้นเหมือนเกา่าจนมีชีวิตมาจนถึงปันนี้นี่นะเนี่ยเราต้องเชื่อบุญเชื่อก ร, รมนี่ว่าคนเรานะ่ะถ้าไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมแล้วโอ้ยไปกลัวจะ ต, ตายอยูน่นะทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้เลยจะเอาชนะกิเลสตำมานต่างๆไม่ได้ คนใดมากลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ตายอยู่แล้ว <c oughs> เราต้องถือเอาพระพุทธเจ้านั่นมาเป็นตัวอย่างมาเป็นอารมณ์ <c oughs> ตอนพระองค์คำหาทางสัตวรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย <c oughs> พระองค์ทรมานพระองค์หลายอย่างนั่นแหละอย่างสุดท้ายถึงกับกั้นลมหายใจเข้าออกหลังจากอดอาหารมาหลายวันแล้ว ก็ยังไม่ได้ตัดสรู้ก็มากั้นลมหายใจเข้าออกเข้าไปเพราะว่าความคิดมันเกิดจากลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้ามันจะเป็นเกี่ยวกับลมหายใจนี่มั้งมันถึงคิดมันจึงจิตไม่หยุดไม่ส ง, งบไม่ตัดสรู้แจ้งอะไรเลยเขาเลยมากั้นลมหายใจเข้าหายใจออกเสียเลยลมมันออกทางจมกูกทางปากไม่ได้ มันกบวนไปเวียนมาอยู่ในท้องนั้นเป็นเหตุให้ปวดท้องอย่างแรงพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวอทําไปทําไปก็พิจารณารู้ได้ว่าไม่ใช่ทางศัตรูแล้วก็ทรงหยุดหยุดกั้นลมหายใจเขาออกอันนั้นเดีย ว, ว่าเป็นการทรมานพระองค์ครั้งสุดท้ายเลยต่อจากนั้นจึงมาปรากฏลิมิต มีคนมาดีดพินสามสายให้ฟังอย่างที่ว่านั่นเละเมื่อสายที่ไม่เคร่งไม่ยานเกินไปพอดีดเข้ากับเสียงไพเราะจึงจับเอานิมิตอันนั้นมาพิจารณาว่าโอที่พระองค์ทําความเพียรมานี่มันเคร่งเกินไปมันใกล้ต่อความตายเหมือนอย่างพินสายแรกที่มันเคร่งเกินไปนั่นพอดีดทีเดียวสายก็ขาดเลย สายที่มันไม่เข่งไม่ยานนี่มันเปรียบได้กับการปฏิบัติสเสวงหาทางสัตรูสัมมาสัมโพธียานนี่ต้องดำเนินทางสายกลางอย่างที่ว่านั่นเนี่ยฉันพอประมาณนอนพอประมาณนอนสี่ชั่วโมงคืนหนึ่งคืนหนึ่งฉันอาหารก็พออิ่มดีๆอย่าให้แน่นท้องเกินไป ถ้ามันมากเกินไปแล้วอาหารทับทัดทำทำความเพียรภาวนาก็มีแต่ง่วงมีแต่ซึมไม่ได้เรื่องเลยอันนี้แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอนั่งพอสมควรแล้วก็นอนพอประมาณสี่ชั่วโมงเดินพอประมาณยืนพอประมาณหมนี้นะ ในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นั้นก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตให้เป็นกลางแบบ น, นี้นะทําอย่างไรจิตจะเป็นกลางอยู่ได้ก็เอาแล้อาศัยสตินั่นแหละประคองไว้อย่าให้มันเอียงไปทั้งยินดียินร้ายเสียใจโกรธเกลียดใครต่อใครอะไรหมู่นี้นะอย่าให้มันวิตกวิจารณ์ไป ให้มันมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันถ้ามันจะคิดก็ให้มันคิดถึงร่างกายนี่ร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรอะ่ะเอาคิดดูพิจารณาดูการที่มันจะพิจารณาร่างกายนี้ได้ก็อาศัยสตินั่นแหละตัวเองนั่นแหละควบคุมตัวเองอ่ะขดง่ายๆ แต่ธรรมดานี่มันไม่ค่อยอย่างมาพิจารณานะร่างกายอันนี้นะมันอยากคิดเพลินไปหาเรื่องอะไรต่ออะไรภายนอกนู่นนี่เป็นจริงเลยนะไม่เชื่อลองสังเกตดูสิใจตัวเองของใครอะ่ะถ้าปล่อยจิตให้คิดไปข้างนอกเพลินไปนี่รู้สึกว่ามันสบายดีเอนั่นแหละมันหลงมันหลงกลมายาของมารคือกิเลส แบบนั้นนะมานมันหลอกล่อมันเอารูปเออเสียงเอากลิ่นเอารสนั่นมาหลอกล่อให้จิตคิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องธรมบัตตต่างๆอย่างนั้นถือว่าเป็นความสบายแต่ที่แท่แล้วมันแฝงไว้ด้วยความทุกข์อยู่ในนั้นแหละแต่ในระยะแรกนี่มันก็ไม่ทุกข์แหละท่านเมื่อมันคิดไม่หยุดเข้าไปมัน เกิดความอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นรุนแรงขึ้นมานี่เอาแล้วถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ผ้าเรืองร้อนแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วอยากจะไปแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการถ้าเป็นคระึงหัดอย่างนี้ก็นั่งบ้านนั่งเรือนไม่ติดแล้วผู้มีลูกมีเมียมีผัวก็อยู่บ้านไม่ติดเดี๋ยวก็หาเรื่องโกหกลูกเมีย ฉันจะไปธุระนั่นก่อนนี้ก่อนอย่างนี้ลูกเมียก็เชื่อว่าผัวจะไปงานอย่างนั้นอย่างนี้คันแล้วก็แสเอือนไปเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งห้านั่นเข้าไปเสียเงินเสียทองเข้าไปอย่างนี้แหละฝ่ายเมียก็เหมือนกันนะถ้าหากควบคุมจิตตัวเองไม่ได้อย่างที่ว่านั่นนะ มันก็โกหกสามีอมีธุระอย่างนั้นได้นัดกับเพื่อนอย่างนู้นอย่างนี้ออันนี้ออกจากบ้านไปแล้วก็เขาเรียกว่าหนีจากสามีสามวันเป็นอื่นอันนี้นกว่าถ้าจะเป็นความจริงเป็นส่วนมากเลยอืดังนั้นนะทุกคนนะให้เห็นโทษแห่งการปล่อยจิตของตน ให้เลื่อนลอยไปภายนอกนุ่นความยินดีในสิ่งที่น่ารักให้พอใจภายนอกนั้นมันให้ความสุขสบายชั่วคราวตอนนั้นเองแล้วมันมีทุกเป็นผลในภายหลังอย่างอย่างอย่างกล่าวมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าผู่สามีภรรยาคู่ใดคิดคตรกบฏจากกันและกันอย่างนั้น เมื่อรู้เข้าภายหลังก็กับทะละวิวาดกันเลยอย่าร่างกันไปมีลูกกระทิ่งลูกไปลูกก็เลยพลอยเป็นทุกข์เดือดร้อนไปอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามคุณทั้งหลายนี่นะมันมันมีรสอร่อยเบื้องต้น แต่เรามันมีรถขมขืนในบ้้นปลายเห็นจะไม่ถิดแน่นอนทีเดียวนั่นแหละไอความสุข เ, เล็กเล็กน้อยน้อยอย่างว่านี่เนะี่ยมันเป็นผีหลอกมันหลอกคนเราให้ติดอยู่ในทุกข์พิจารณาให้มันเห็นมันหลอกให้ติดอยู่ในทุกข์จริงๆนะนั่นเนี่ย อย่างเช่นเป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วทีแรกก็เห็นทุกเห็นภัยในสงสารจึงมาบวชท่านบวชเข้ามาแล้วไม่ประกอบความเพียรไม่รักษาจิตตัวเองปล่อยให้มานคือกิเลสเข้าครอบงำกิเลสมันก็แสดงมายาออกไปให้จิตมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็มีแต่สวยงามมีแต่หน้ารักทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะกดดิ้นออกไปหามันเนะี่ย ก็ได้ไปเผชิญกับความทุกข์นานาประการอย่างนี้แหละจึงว่าไอ้ความยินดีในกามคุณนะั่นะมันให้ความสุขตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันมันมันมันให้ความทุกข์ในตอนปลายแต่พิจารณาดูให้ดีไม่ว่าคาริยหัดไม่ว่ารักบวชไอ้เรื่องพันนี่นะเหมือนกันเลยอะพวกครองเลือนทั้งหลาย เมื่อได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางคนก็บนออกมาเฮ้ยถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วเราจะไม่ครองเลือนเลยพอแต่ก่อนไม่รู้อย่างนี้เลยนึกว่าจะเป็นของดีเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยอย่างนี้วันนี้ที่ไหนได้มันติดกับพอแรงแล้วเครื่องเครื่องผูกมันหลายเส้นเหลือเกินตัดไม่ขาด ก็บนกันอยู่งั้นแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องก็ควรพิจารณาถอนตนออกไปให้ได้ผู้ใดพิจารณาแก้ไขถอนตัวเองออกได้แล้วก็นับว่าเป็นบุญยลาบอันประเสริฐของผู้นั้นอผู้นั้นจะไม่ได้ไปสวยทุกข์ทรมานเอออยู่ ในการครองเลือนอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาบา ร, รมีของแต่ละบุคคลนะคนมีปัญญาเท่านั้นเนี่ยจะเอาตัวรอดได้คนขาดปัญญาแน้วไม่มีทางเพราะว่าเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครบังคับกันได้เลยใครๆจะไปบังคับกันให้ละทิ้งสิ่งที่ ตนรักตนชอบใจอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ ไ, มได้ผิดกฎธรรมดาเว้นเสียแต่ผู้นั้นไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นเนี่เขาจึงลงโทษเอาถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วเอาจะเพลินไปยังไงก็เพลินไปเช่นดื่มเหล้าเมาสุรามัณีเอาดื่มไปเมาเดินโซซสับโซเซตามถนนหนทาง ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุ้มอะไรเลยแต่ถ้าเมื่อได้ไปตีหัวเขาเข้าเมื่อใดนั่นแหละที่นี่มันเอาละต้องเดือดร้อนทางกฎหมายแล้วเป็นอางนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะพิจารณากันดูให้ดีในโลกแตนิวาสอันนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วอย่างที่เคยพูดมานั่นเลย แต่คนเรานี่ไม่ค่อยสนใจกันเลยไม่ค่อยคัดเลือกเอาผสมประสานกันหมดดีก็เอาชั่วก็เอาอย่างนี้แหละทีนี้ผู้ใดที่มีภาวนามาฝึกฝนจิตใจของตนให้ส ง, งบลงไปแล้ววันนี้ปัญญาบางเกิดขึ้นมันมันจึงรู้จักเลือกแบบนี้นะว่าเออ ทบทวนดูความบกพริบของตนที่ร่วงแล้วมาตนทำอย่างนั้นอย่างนั้นผิดเป็นโทษเป็นบาปอย่างนี้แหละตนทำอย่างนั้นเป็นบุญถูกต้องมันก็รู้วันนี้จนมาถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็รู้ตนได้ว่าตนสำรวมระวังทำมวินัยอยู่หรือไม่หรือว่าร่วงละเมิดอยู่ก็รู้ ผู้ภาวนาเมื่อใจสงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันรู้เรื่องของตัวเองได้ดีแน่นอนทีเดียวคนอื่นนั้นไม่มีใครเราจะไปทักท้วงใครถึงแม้เขาจะเห็นว่าผู้นั้นทำผิดอยู่ก็ตามนะถ้าเว้นเสียแต่ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูของอาจารย์เท่านั้นแหละเพื่อนจะทักท้วงแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว ใครจะทำผิดยังไงเพื่อนก็ไม่ว่ากันไม่ทักท้วงกันเลยก็มีแต่ตัวใครตัวเรามาพิจารณาตัวเองเมื่อรู้ว่าตนทำอย่างนั้นมันผิดไปแล้วอย่างนี้ตนก็ละเอาเองอนั่นแหละนี่การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานะให้พึ่งนพากันเข้าใจพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทธนัน มาอบรมจิตใจของตอนเองให้มันแน่วแน่ลงไปแล้วมาคัดเลือกความชั่วออกไปจากจิตใจนี่สังสมเอาแต่ความดีเข้าใส่ไว้อย่างนี้เลยไอ้ความดีเนี่ยมันเป็นคำรวมอันนี้มันหมายเอาอะไรบัา น, นี้ความดเีเบื้องต้นนี่หมายเอาสติความระลึกได้ ะระลึกได้ว่าตั้งจิตไว้อย่างนี้มันดีมันถูกต้องอย่างนี้น ะ, ะเนี่ยเรียกว่าสติวิยัยแล้วก็สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างนี้จิตของตนรู้อยู่ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ก็รู้อยู่อย่างนี้แล้วก็มารู้ว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเป็นมานคอยมาขัดขวางไม่ให้จิตนี่รู้แจ้งแทงตลอดสม่ำเสมอไปเอาบรดเดี๋ยวรู้มาได้หน่อยหนึ่งแล้วเมื่ออวิชชาสัรหาครอบงำหมดความรู้อันนัญนกหายไปอย่างนี้แหละ ดังนั้นจึงจะเป็นต้องระมัดระวังระมัดระวังความรู้อันนี้ความรู้ความเห็นอันนี้อย่าให้มันเสื่อมอันนี้เลยว่าเป็นความดีชั้นสูงนะให้เข้าใจ <c oughs> เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตใจอยู่นี้สำรวมความรู้ความเห็นให้เป็นปกติไป เมื่อเวลามีกิเลสอันใดที่มันยังค้างอยู่ในใจเราทําเราสารวมตนไปหนอยหนึ่งกิเลสอันนั้นพอเผลอเผลอนอนหนึ่งมันก็ลุกขึ้นเล่นงานนี<ม>่บันนี้เราก็ตั้งความอดความทนลง<ม>อดทนสู้กับกิเลสเอา่ากิเลสมันลบกวนจิตใจให้ เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอย่างนี้นะในเบื้องต้นนี้ก็อดกั้นทนทานไปก่อนไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้แหละเอากิเลสมันมารบกวนให้เกิดความโกรธความเกลียดชังใครต่อใครขึ้นมาอย่างนี้ก็อดกั้นลงไว้ซะก่อนไม่ส่งเสริมความคิดอั น, นั้นนี่เรียกว่าความดีหรือว่า คุณธรรมนะมันจำเป็นเราต้องมีคุณธรรมดังกล่าวมานี่นะต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจถ้าไม่สร้างให้เกิดมีขึ้นเราก็จำได้แต่ชื่อนั่นแหละคำว่าขันติความอดทนแต่แล้วเมื่อเวลาถึงเวลาขับขันมาไม่อดไม่ทนอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่มีขันติธรรมอยู่ในใจเช่นยกตัวอย่างว่า เมื่อความโกรธครอบงมจิตใจเข้ามาอย่างนี้นะไม่อดไม่ทนเลยสแสดงออกทางกายทางวาจาทันทีไปเลยอย่างนี้ น, นั่นแสแดงว่าผู้นั้นไม่มีขันติธรรมอยู่ในใจมันถึงรังนับความโกรธอ น, นั้นไม่ได้ <c oughs> อันนี้แหละเรียวกว่าผู้มีวิหารธรรมอยู่ในใจ ให้พึ่งพากันเข้าใจผู้ที่มีหน้าที่ศึกษาเรา่เรียนธรรมวินัยก็เมื่อเรียนจำได้แล้วก็พยายามสร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ว่าเรียนจำไว้เฉยๆนี้ส่วนมากมันสักจรียนแล้วจำไว้เฉยๆนี่แหลอะอย่างนี้ทั้งที่แนะ น, นาสั่งสอนอยู่อย่างนี้นะบางทีไปไปเลยเราก็ ไปเผอตัวกันเข้ากระทบกระทั่งกันทะเลาะกันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้นั่นแสดงว่าขาดขันตรรทแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีความอดทนนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะบุคคลผู้ที่ยังละกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้นี่เมื่อเวลาจิตใจมันเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่นั้น กิเลสมันก็ยังลุกขึ้นมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้พอเผลอๆจิตถอนจากสมาธิกิเลสอันใดที่มันมีกําลังกลัวมันใส่มันเก็บตัวอยู่ในนั้นนะมันก็โผล่ขึ้นมาอ่านั่นแหละรบกวนจิตใจแล้วว่นนี้ใจก็รินลนเดือดร้อนไปตามกิเลสนั้น ถ้าหาว่าผู้ใดมีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่านี่เนะี่ยทีแรกนี่มันต้องอดกั้นแหละก่อนนะพออดได้แล้ววันนี้ก็ต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาบะ น, นี้ออพิจารณาเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนี้อทบทวนดวูมันขาดอะไรมันมีช่องโหว่อย่างไรกิเลสมันยังโผล่ขึ้นมาได้เมื่อพี่นามก็รู้ได้อ๋อเพราะขาดสมาธิ ใจไม่ตั้งมั่นต่อกกุศลเพียงพ อ, อนั่นแหละใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมความโกรธมันจึงโผล่ขึ้นมาใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในสันติสันตถถี ธ, ธรรมคือทำให้เกิดความยินดีพอใจในของที่มีอยู่คุณธรรมเหล่านี้ไม่มีดังนั้นความโลภมันถึงเกิดขึ้นมาได้ มันขาดคุณธรรมเหล่านี้ท่านพอรู้ได้อย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจเอาละทีนี้เราจะยินดีจากของที่เรามีอยู่เราหาได้มาเท่าไรเราจึงยินดีใช้สอยอยู่เท่านั้นใครอื่นคนอื่นเขาจะมีมากมายอย่างไรเราก็จะห้ามจิตไม่ให้คิดอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตน กระสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วสันตธิธรรมมันก็เกิดขึ้นในใจความโลบมันก็หายไปนี่นะจิตที่ยแจงให้ฟังทมเครื่องระงับกิเลสมันมีเป็นเป็นอย่างๆไปฮะไม่ใช่อย่างเดียวกันบุคคลไม่เรียนรู้ธรรมะเหล่านี้แล้วเวลากิเลสชนิดนั้นเกิดขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไง ไม่มีทางแก้ไขมันก็จาเป็นต้องได้ทำตามอำนาจของกิเลสนั้นไปผมโกรธอย่างที่ว่านี่นหะเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นมาในใจแล้วนึกถึงเมตตาไม่ได้เลยอย่างนี้จาเป็นนะ้วมันก็ต้องไปตามความโกรธแสดงบทบาทอันดุร้ายออกไปต่งตางนนๆนานานี่ถ้ามันนึกถึงเมตตาได้ในขนาดนั้นนะ ความโกรธมันจะอ่อนกําลังลงทันทีเลยโอ้เพื่อนผู้นี้ก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกันกบเราเนาะเราไม่น่าจะไปเบียดเบียนเขาน่าจะให้อภัยเขาไปพอนึกได้อย่างนี้แล้วไอ้ความคิดที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นนั้นมันก็เบาลงไปทันทีเลยถึงไม่เบียดเบียนด้วยทางกายทุกขต ก็จะเบียดเบียนทางวาจาเส้นกล่าวว่าจาหยาบคายเสียบแทงอให้เจ็บอกเจ็บใจไปอย่างงี้นะให้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงกันไปโมนี้มันล้วนจะขาดจากเมตตาธรรมทั้งนั้นเลยอดังนั้นนะถ้าผูดด้ใดรู้ธรรมะเหล่านี้แล้วว่ามีคุณค่ามีประสิทธิภาพกํำจัด ก, กิเลสเหล่านี้ ให้เบาบางลงไปได้อย่างนี้มันจเจริญในใจครับบ่อยๆเข้าให้มันมีกําลังมากๆขึ้นไปแล้วอกีเลศดังว่านี่มันก็เบาบางลงจริงๆนะตอนกีเลศเหล่านี้มันจะขาดไปจริงๆมันอยู่ที่ตรงอยู่ที่ปัญญาแบบนี้นะสุดท้ายก็อยู่ที่ปัญญานี่แหละดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ ความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาคำว่าฝึกตนอย่างที่ตั้งเป็นกระทู้ขึ้นเบื้องต้นนั่นแหละฝึกตนก็คือฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีงามนี่เองแหละ เ, นะเช่นฝึกใจให้มีหิริโอตสัพพธรรมให้มีความละอาย ต่อความชั่วต่อการกระทําความชั่วทั้งหลายละอายใจว่าไอเราเกิดเป็นคนมานีนนับว่ามีเกียรติอันสูงส่งมีบุญวาสนาจึงได้เกิดเป็นคนมาดังนั้นเราจึงไม่สมควรที่จะไปทําความชั่วอะไรไม่สมควรที่จะใช้กายวาจาใจอันนี้ทําความชั่วเมื่อนึก ถึงเกียรติิยศของความเป็นมนุษย์ของตนขึ้นมาได้มันก็ไม่กล้าทำความชั่วนี่นี่เรียกว่าเป็นผู้มีฮิริอยู่ในใจบัดนี้เมื่อมานึกอีกทีว่าถ้าเราทําความชั่วอย่างนี้ลงไปแล้วผลที่จะได้รับคือความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่พอมันรู้ชัดขึ้นมามันก็กลัวอลไรกลัวทุกบัดนี้อืกลัวความชั่วนะั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ มันก็งดไม่ทำความชั่วนั้นนี่เรียกว่าเราสร้างฮิริโอตปะธมขึ้นในใจไวให้มากๆเป็นอย่างนั้นก็นเราต้องนึกเราต้องพิจารณาให้เห็นคุณค่าของฮิริโอตปะธมก่อนที่ที่ความชั่วทั้งหลายยังไม่ปรากฏเราต้องเอาไปวิจัยไปคิดไปพิจารณา ว่าคุณธรรมเหล่านี้มันจําเป็นต้องมีอยู่ในใจถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วจิตนี่จะแข็งกระด้างไม่กลัวบาปจะทํำบาปได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยอย่างนี้เราวิจารณ์ร่วงหน้าไว้อย่างนี้เออเมื่อเป็นเช่นนี้คุณธรรมเหล่านี้มันก็ประทับอยู่ในจิตใจนั้นพอมีเหตุที่จะให้ทําความชั่วมาถึงเข้า ฮิร่โอตประธรรมมันก็โผล่ขึ้นในใจเลยเพราะเราเก็บไว้ในใจแล้วเป็นอย่างนั้นเกิดความละอายใจเกิดความกลัวต่อความชั่วนะั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ขึ้นมาไม่กดห้ามจิตได้เลยแบบนี้ห้ามจิตได้ก็ห้ามกายห้ามวาจาได้เป็นอย่างนั้นเรื้ยงมันนะนี่แหละคาว่าฝึกตนนะเราอาศัย น้มเอาคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาไว้ในจิตใจของตนพยายามดัดใจของตนให้เป็นธรรมเหล่านี้ให้ซึมซาบอยู่ในธรรมเหล่านี้อพยายามน้มธรรมมาเหล่านี้ให้ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจไว้เรียกว่าจำให้แม่นก็นแล้วกันเลยพวกง่ายๆนี่นะเหมือนอเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจ มันก็เหมือนอย่างว่าเรามีอาวุธประจำตัวอยู่งี่นะเมื่อหาว่าศัตรูเมื่อปรากฏว่าศัตรูมันจะมาทำลายเข้าเมื่อใดเนี่ยเราจะนึกถึงอาวุธติดตัวอยู่เลยพอเอาอาวุธอันนั้นออกมาสู้กับศัตรูได้ทันท่วงทีเลยอย่างงี้แต่ถ้าหาว่าอาวุธมันอยู่ห่างไกลนู่นอย่างนี้พอศัตรูมันจู่โจมเข้ามาแล้วเลย ไม่มีทางสู้เขาแล้วกันเนี่ยอันนี้ทันใดก็อย่างนั้นเลย เ, เรียนทมเรียนวินยัยจาได้มาหรือว่าฟังทมคำสอนจาได้แล้วอย่างนี้จําได้แต่สัญญาเฉยๆไม่ได้น้อมท ร, ร ม, มานั้นให้เข้าถึงจิตถึงใจไม่ให้ใจมันสงบอยู่ในธรรมนั้นเช่นนี้ก็ชื่อว่ามีอาวุธอยู่นอกตัว นั่นแหละอยู่นอกใจอข้อสัญญาความจำในเฉยนี่ใช่การอะไรไม่ได้เลยอืต่อเมื่อได้น้อมธรรมะนั้นให้เข้าถึงจิตให้รู้ตัวเองอยู่ว่าเช่นในขณะนี้นะ่ะเรามีฮิริโอตัปธรรมอยู่ในใจเสมอก็รู้ตัวอยู่นี่นะเนี่ยจึงเรียกว่ามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วทีนี้เมื่อเวลามี มีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาอดได้ทนได้ไม่วันไหวไปตามความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นอย่างนี้นะนี่ก็รู้ได้เลยว่าเรามีความอดทนอยู่ในใจมีขันติธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แหละคำว่าฝึกตนนะขอให้เข้าใจฝึกให้ใจของเรามีคุณธรรม อันดีงามอยู่ฝังอยู่ในใจอันใจที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้ก็เพราะมีคุณธรรมเหล่านี้เองเนี่ยอยู่ในใจถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยเราจะเจริญภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธยังไงจะเพ่ง ร่างกายนี่อย่างไรจะเห็นร่างกายเป็นของแตกของดับของเน่าของเปลื อ, อยยังไงก็ช่า ง, งนะถ้าคุณธรรมดังกล่าวมานี้ไม่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วมันมันจิตใจมันจะไม่ยอมรับความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเลยเช่นเพ่งโดยเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามอะไรอย่างนี้นะ ท่านเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วไม่อดไม่ทนต่อหน้าของกิเลสนะเมื่อกิเลสยังสุภาษัญญาอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลายเห็นว่าเป็นของสวยงามไปแล้อย่างนี้นะออทีแรกเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามท่านไปไปแล้วเกิดเห็นเป็นของสวยงามขึ้นมานี่อันนี้หละเรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประกันนะ ถ้ามีความอดอยู่ในใจมีนี่หิริอดตปธรรมอยู่ในใจอย่างเนี้อ่ะเมื่อกิเลสเท่นั้นมันโผล่ขึ้นมามันจะมามันจะมาเปลี่ยนความคิดเห็นให้มันผิดไปจากความเป็นจริงเข้าไปมันอดทีเนี้ยมันอดกั้นไม่ไม่วิจารณ์ไม่วิจารณ์ไปตามความคิดเกิดขึ้นขั้งแรกนั่นนะที่คิดว่าเห็นว่าของเรานี่สวยงามอย่างนี้นะ รูปนี่สวยงามอย่างนี้มันจะมันจะค้านทันทีเลยอ่ะเมื่อมันอดทนได้แล้วไม่ใช่ไม่สวยไม่งามอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดความหลงต่างหากแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามในโลกอันนี้สวยงามแต่สมมติกันเอาตกแต่งกันขึ้นมาเท่านั้นไอ้สิ่งที่ตกแต่งเหล่านั้นไม่กิรังยั่งยืนเลย เมื่อตกแต่งขึ้นมาแล้วนอนหนึ่งก็บูบสลายไปไม่มีอะไรยืนยงคงอยู่ใดนี่เมื่อมันทวนกระแสจิตเข้าไปอย่างนี้มันคานความเห็นเมื่อตอนตอนในดทีนี้มันก็ไอความเห็นที่ว่าสวยงามมันก็ระงับไปความเห็นที่ว่าไม่สวยไม่งามมันก็เกิดขึ้นแทนแบบ น, นี้นะเมื่อเออ เมื่อรักษาความรู้ความเห็นอย่างนั้นไวไอ้ความที่ว่าเห็นว่าสวยว่า ง, งามมันก็ไม่เกิดขึ้นได้กว่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เนี่อย่างนี้นเอาเมื่อเมื่อเรารักษาเมตตาทำอยู่ในใจให้สม่ำเสมอไปอย่างนี้นะไอ้เมื่อเรื่องที่จะมากระทบกระทั่งให้เกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้ามันเผลอมันเกิดความโกรธขึ้นมา พอนึกถึงเมตตานั้นเข้ามาแล้ววันนี้เอาความโกรธนั่นมันก็เบาลงไปมันก็หายหน้าไปอย่างนี้นะออนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เราต้องรักษาคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจเสมอเสมอไปต้องหมั่นทบทวนนะถ้าไม่หมั่นทบทวนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายไป ทบทวนเอาเมตตาธรรมมีอยู่ในใจเราหรื อ, อยังในขณะนี้มีอยู่หรือไม่อถ้ามีอยู่ก็รู้รู้ว่ามี อ, าอ่าวพิริโอตประธรรมมีอยู่ในใจหรือไม่เดี๋ยวนี้ถ้ามีก็รู้รู้ว่ามีอย่างงี้นะถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเมื่อไม่มีก็จะต้องพยายามสร้างให้มีขึ้นออย่างนี้แหละ ปัญญาน่ะปัญญามีอยู่ไหมในขณะนี้ปัญญานี่มันต้องทบทวนให้ให้ละเอียดสักหน่อยอที่ว่าปัญญามีนั่นลองลองหาเหตุผลลงมาดูสิมันมียังไงอ้อาวที่ปัญญามีนี่ก็เพราะว่าเท่าที่อยู่มาเนี่ยเราพยายามรักษาจิตตรงนี้ให้มันเป็นปกติอยู่เป็นส่วนมากเลย พยายามสอนจิตนี่ให้มั่นอยู่ในบุญในกุศลสอนจิตนี่ให้รักษาความรู้ความเห็นเอความจริงของสังขารร่างกายที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, าตานัตตนี่มันก็เห็นอยู่เนี่มันไม่เห็นผิดไปจากนี้เลยเอ อ, อย่างนี้นะก็ชื่อว่าปัญญามี อ, อ, อย่างนี้แหละถ้าถ้าว่ามันเหตุผลอย่างนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาในใจ ก็แสดงว่าปัญญายังไม่มีก็รู้รู้ได้ว่าปัญญายังไม่มีนี่นะเพราะฉะนั้นให้เพิ่งพากันอย่าอย่าประมาทพ ย, ย, ยายามสัมรวมจิตใจของตนอยู่เสมอไปแหละการสัมรวมจิตก็ชื่อว่าสัมรวมคุณธรรมอย่างว่านั้นเนี่ยสัมรวมบุญสัมรวมกุศล ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะั้นไม่ให้มันเสื่อมไปเพราะว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อตัวเองควบคุมตัวเองได้แล้วคุณธรรมความดีต่างเ่านั้นก็ไม่สูญไม่หายไปไหนถ้าควบคุมจิตไม่ได้แล้วไม่มีเหลือคุณธรรมเหล่านั้นหายหน้าหายตาไปทีเดียวมันจะมีแต่กิเลสบาปธรรมมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจ จะมีแต่ความเห็นผิดนั่นแหละเกิดขึ้นในใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครช่วยใครได้เลยมีแต่ต่างคนต่างช่วยตัวเองฝึกตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละออธรรมะอะไรที่ไม่มีอยู่ในใจก็พยายามสร้างธรรมะอนันขึ้นนี่แหละเรียกว่าฝึ ก, กจิตใจให้มั่นอยู่ในธรรมะ ปัญญาไม่มีก็ฝึกปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นหัดคิดหัดวิจารแต่ต้องคิดต้องวิจารอย่างมีเหตุผลเรื่องที่วิจารเรื่องคิดนั้นต้องเป็นเรื่องที่ว่าเรายังสงสัยแข็งใจอยู่ยังไม่รู้แจ้งในเรื่องนั้นอย่างนี้นะก็จับเอาเรื่องนั้นมาวิจารมาพิจารณาหาเหตุหาผลมาประกอบเข้าไป ในที่สุดมันก็รู้แจ้งในเรื่องนั้นขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าฝึกปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจแต่คนส่วนมากนะ ม, กมักจะชอบอยู่สบายสบายไปไม่ต้องคิดไม่ต้องวิจารอะไรให้มากมายเพราะฉะนั้นถึงไม่มีปัญญานั่นเลยก็เป็นธรรมดา เมื่อการฝึกตนนี้มันก็ต้องยากต้องลําบากบ้างแหละต้องเอาทุกเป็นทุนอย่างที่เอที่ว่ามาแล้วที่ที่เคยพูดเรื่องคติธรรมมานั้นนะจะเป็นสุขก็เอาทุกเป็นทุนก่อนอย่างว่านั้นเนะีย่ยนั้นถ้าไม่สู้ทุกสูก้ยากลําบากขับไล่กีเล็ดออกจากดวงขีดนี้ได้แล้วเราจะไม่ได้รับความสุขอันสดใสอันบริสุทธิ์เลย จะได้รับแต่ความสุขจอมปลอมความสุขที่เจืออยู่ด้วยกิเลสบาปธรรมดังแสดงมาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้